คณะครูแล้วเจ้าที่โรงเรียนวันสว่างจิตนะก็จะสิ้นสุดการอบรมนะจากนี้ไปนะก็จากเที่ยงไปก็จะได้เดินทางจุดหมายในใจของทุกคนนะก็คงได้แก่บ้านนะ หลายคนก็นึกถึงบ้านและตอนนี้รวมทั้งผู้ปฏิบัติธรรมคนอื่นด้วยนะแต่ก็อย่าลืมนะเมื่อวานเมื่อคือนนี้เราก็คงได้ตระหนักแล้วว่าวันนี้จุดหมายของเราคือบ้านก็จริงแต่วันหน้านะปลายทางของชุดเราก็คือเชิงตะกอน นะปลายทางที่ว่านี่มันมาถึงแน่นะให้มันเตือนใจและเลึกถึงความจริงข้อนี้อยู่เสมอนะเพื่อว่าจะได้ตระหนักว่า เรายังมีหลายอย่างที่ต้องทำนะเมื่อคืนหลายคนก็เศร้าโศกเสียใจเพราะว่าเสมอกับได้ตายไปจากโลกนี้แล้วนะได้จากคนรักจากพ่อแม่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 ไม่ได้ทำดีกับเขาไม่ได้ให้เวลากับเขาหรือไม่ได้มีความสุขมีประสบการณ์ดีๆร่วมกันนะเพราะเอาแต่เพลินนะกับความสุขส่วนตัวหรือว่าหมกมุ่นกับงานการนะเพราะคิดว่าตอนนี้นะทำงานหาเงินก่อนให้ร่ำรวยก่อน แล้วค่อยมีเวลาให้กับพ่อแม่นะทำงานให้เสร็จนะเส้นตายมันจ่ออยู่แล้วต้องรีทห้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนะไปให้เวลากับเขาแล้วถึงเวลาเสร็จงานจริงเราก็ผัดผ่อนไปเรื่อยเดียเด๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวไอ้คำว่าเดี๋ยวนี่มันทำร้ายคนมาเยอะแล้วนะ คันจะไปเยี่ยมพ่อแม่สักทีนะเสาร์อาทิตย์นี้แหละไม่ได้ไปเยี่ยมท่านนานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะนะเพื่อนชวนไปภูเก็ตนะชวนเพื่อนเพื่อนเพื่อนชวนไปนะเที่ยวฮ่องกงนะเดี๋ยวก่อนนะกลับมาแล้วค่อยค่อยไปไปหาท่าน คนที่คิดแบบนี้เนี่ยเรียกว่าน้ำตาน้องหน้ามาหลายคนละเพราะว่าพอเดียเด๋ยวๆเนี่ยเพราะว่าในสุดนะคนที่รักก็จากไปแล้วก็มาเสียใจว่าเราไม่น่าเลยนะไม่น่าผัดผ่อนเลยต้องเปลี่ยนจากคำว่าเดี๋ยวหรือเดี๋ยวก่อนนะเป็นเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะ ทำเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วถ้าเราทําเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่ติดค้างใจเพราะความรู้สึกผิดที่ปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอยไปนะีพยายามปฏิบัติกับคนที่เรารักเสมือกับว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของเราหรือเป็นวันสุดท้ายของเขานะ และนอกจากการทำดีกับคนที่เรารักไม่ผัดผ่อนไม่เอาแต่ประเดียวประเดียวแล้วก็อย่าลืมนะทำดีกับตัวเองด้วยเป็นมิตรกับตัวเองให้ได้ทาให้กายและใจนี้เนี่ยนะมันเป็นมิตรกับเราซึ่งก็ต้องเริ่มต้น้วกการจากการที่เราเป็นมิตรนะกับกายและใจนี้ให้ได้ ดเดพราะจิตใจสาคัญมากนะดูแลใส่ใจจิตใจให้ดีนะมีสติเป็นเครื่องรักษาใจอย่าให้ความหลงมันครอบงำพอสักความหลงมันครอบงำแล้วเดี๋ยวมันก็ชักพาเอาความโกรธความเศร้าความแค้นความพยาบาทความรู้สึกผิด ติดข้างใจมาครองจิตครองใจของเราจนหาความสุขความสงบไม่ได้นะต้องหมันนะพาใจเนี่ยกลับมากลับมาอยู่บ้านนะเอากายเนี่ยเป็นบ้านของใจทำอะไร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 หรือผู้อ่านคือว่าทำด้วยใจเต็มร้อยอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าใช้ชีวิตเต็มร้อยหลายคนบอกว่าเนี่ยฉันอยากจะใช้ชีวิตเต็มร้อยนะแต่ว่าเวลาทำอะไรเนี่ยใจก็ไม่อยู่กันเนื้อกับตัวอยู่ด้วยความหลงอยู่ด้วยความลืมนะมันจะเป็นชีวิตที่เต็มร้อยได้อย่างไรนะชีวิตที่เต็มร้อยเกิดขึ้นได้เพราะว่า ทำรายใจก็อยู่กับสิ่งนั้นทั้งร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะไม่แบ่งภาคไม่แบ่งครึ่งนะไม่ใช่กินข้าวไปก็ใจนึงก็นึกถึงงานอาบน้ำไปใจก็นึกถึงว่าเดี๋ยวจะทำอะไรข้างหน้าใจมันไม่เต็มร้อยกับสิ่งที่ทำอยู่ข้างหน้าแล้วจะใช้ชีวิตเต็มร้อยได้อย่างไรนะไอ้ก็ว่าใช้ชีวิตเต็มร้อยก็เป็นเพียงแค่อ่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 ยสิบสี่ชั่วโมงตลอดชีวิตนะก็คือทำทำอย่างนั้นทำโน่นทานี่กับเจอนั่นเจอนี่เมื่อเราทำอะไรนะก็ให้รู้ตัวเรียกว่ารู้กายขึ้นวาเมื่อทำกิจรู้ใจคิดนึกนะเมื่อมีสิ่งมากระทบหรือมาเจอผัสสะแค่นี้แหละก็จะช่วยทำให้ ใ, ใจเรามีที่พึ่งและใจมันก็จะกลายเป็นที่พึ่งพาของเราในที่สุด อยู่ไหนก็มีความสุขกลบ้านตัวไกลบ้านใจใจอบอุน่นะมีความสุขอยู่เสมอก็ฝากไว้เท่านี้นะเตรียมรับพรอิสิตังปฏิตังตุมหังขอยท่าผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วพบพามเมวัสมิชตูจงสำเร็จโดยฉะพราจาเพปูเรนตุสังกัปปา อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนณรโสยตาเหมือนพระจันท์ในวันเพนมณีโชติราโสยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรดินดีสาพิติโยวิวาชนตุขวานจรายทั้งปวงจงบำราบไปสาภารโอโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเทพระวัดวันตรารโย อันตารายยามีแก่ท่านที่ขายุโกภาวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจางวุฒาปัยิโยจารตาโรธรรมาวาทันทีอายุวันนสุขังพลังสามสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพลาัยยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติว่ายกราบ มีปกติอด น, น้อมเจอาพุใหญ่เป็นนิจพอวันตุสาวพมังค์พลังอสัพพาหมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพร์เทวตาอหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านพุทานุภาเวนะ้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาวรธรรมานุภาเวนะ้วยอานุภาแห่งพระธรรม สาภาสังคานุภาเวนะดวยอนุภาแห่งพระสงค์สาธาสตริภวันโตเตอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเิ